พระธรรมเทศนาแผ่นที่83าลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26พิพฤศจิกายน2558ายมีชื่อเรื่องว่าคิดไปให้สุดสายทาง วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนพุทธศักราช25ห้าห้าสิบปดวันนี้เป็นวันอุโบสถแต่เมื่อวานเป็นวันลอยลอยกระทงเป็นวันพระแต่วันนี้เป็นวันอุโบสถคือปรกนานาตกวันนี้พวกเราได้ลงอุโบสถตอนเที่ยงวันนี้ พระวันนี้ก็สี่สิบสองรูปที่มาลงโอบสตแต่ถึงยังไงก็ตามในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลออกพรรษาเป็นลูกช่วงที่หมดเขตและดูฝนเข้าสู่เขตและดูหนาวถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นช่วงที่สำหรับพวกเราที่เป็นนักพรตนักปวดคือฝ่ในการปฏิบัติ อากาศทุกวันนี้กำลังสัปปายะไม่ร้อนและไม่หนาวไม่ทำให้พวกเราลาบากไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่มีฝนอีกต่างหากแต่ว่าอุตุสัปปายะเต็มที่ในช่วงนี้เดือนพฤศจิกาธันวาตุลาพฤศจิกาธันวาแต่ปลายปลายเดือนธันวาไปแล้วจะหนาวแล้วนะเริ่มหนาวแล้ว แต่ว่าดินฟ้าอากาศมันก็ผ่านไปอย่างทุกปีทุกเดือนทุกปีที่ผ่านมาอันนี้เรานับย้อนหลังไปที่ผ่านผ่านมาเป็นช่วงอากาศที่ว่าอุตุสั ป, ปายัอากาศเป็นที่สบายไม่ชื้นแฉะไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนเหมาะแก่การภาวนาสรุปแล้วให้พวกเราท่านทั้งหลาย ในช่วงนี้การงานของพวกเราก็ไม่มีอะไรมากเพราะวัดของเราก็ได้บูรณปฏิสังขรณ์สร้างมาพอสมควรแล้วในช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเรารับผลในการสร้างรวงรังของเราเพราะว่าการที่จะทําอะไรขึ้นไปนั้นก็มีน้อยน้อยและน้อยแล้วนะ เพาขอให้พวกเราทุกพองค์นะตั้งอกตั้งใจภาวนาปรีกวิเวกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเําว่าปรีกวิเวกคำนี้ก็คือวัดของเรามีเนื้อที่กว้างทั้งพันกว่าไร เ, เราจะปีกท่เวกวิเวกที่ไหนทางไหนทั้งตรงหลังวัดเราก็พร้อมที่จะปรีกวิเวกหาความสงบสงัดกับตัวเองตั้งภาวนาได้หรือว่ากลางคืนพวกเราจะ เอาวิทยุไปฟังธรรมเทศนาเป็นการเสริมฟังเทศองคหลวงตาฟังหลายๆกันไม่ถูกกันหนึ่งก็ต้องถูกกันหนึ่งละที่ท่านพูดให้กับในภาคปฏิบัติโดยมากจะถูกกับทุกกันล่ะกลางคืนเวลาท่านเทศท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเรื่องจิตตภาวนาหรือแนวทางสำหรับผู้ จะดำเนินตามเลือดําเนินตามแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาเทศหลวงพ่อเองผมเองมั่นใจว่าเมื่อพวกเราฟังใยในการศึกษาใยในการเรียนรู้พวกเราจะเข้าใจในเรื่องจิตภาวนาและก่อต่อไปพวกเราก็จะยกระดับจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นได้เพราะเหตุไรเพราะเราได้ฟัง พอฟังเสร็จแล้วเราก็นำมา ป, ปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของเราครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรให้มักน้อยให้สันโดษดย่าคุกคลี อ, อ, อยาออมัวเมาในการอยู่การอยู่การฉันการหลับการนอนให้เป็นชากรยานุโยคคล้ายๆว่าให้ประกอบความเพียร อยู่เสมอให้สม่ำเสมอให้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างที่ผมพูดเมื่อเช้าตั้งจิตมั่นอธิษฐานให้มั่นคงใน จ, ใจิตใจจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติให้จริงจังดูสิผมเองผมมั่นใจว่าเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายลงมือปฏิบัติจะต้องได้รับไม่ได้รับผลไม่มากก็ต้องน้อย คำวันน้อยนี่ไม่อยากจะพูดล่ะต้องได้รับผลมากเป็นที่พอใจทีเดียวแต่ถ้าว่าพวกเราทั้ง อ, อกตั้งใจใยในการเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะอย่าไปอยู่แบบหมดอะไรตายอยากหมดอยู่แบบไม่มีความหมายในชีวิตพวกเราเกิดมามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมาก ที่มาเกิดมาแล้วได้พบพระโพธิสศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าแล้วก็ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนวปฏิปทาอย่างธรรมเทศนาขององค์หลวงตาอย่างนี้่แล้วท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรถึงท่านจะจุดตินิพพานไปแล้วเสียงของท่านยังแจ๊วแจ้วกล่องอยู่ในจิตในใจของพวกเราถ้าพวกเราใฝ่ในการศึกษาเรียนรู้นะเว้นเสียแต่พวกเราอยู่แบบ หมดอะไรตายอยากไม่ใส่ใจไม่ได้สนใจอันนั้นข็มันก็ช่วยไม่ได้ถึงจะอยู่ในสถานที่ใดมันก็อย่างว่าเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราอยได้เป็นอย่างนั้นผูพ้พวกเราให้หนักแน่นในเรื่องจิตภาวนาหาทางพ้นทุกโลกกันนี้พวกเราถามนะซิว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนให้พวกเราค้นนั่งรลับตาคน้นคิดดูซิ นั่งคิดดูซิด้วยปัญญาของเราความสุขที่แท้จริงของมนุษย์อยู่ที่ไหนพวกเราคิดดูเราเป็นออกไปเป็นฆราวาสมีเงินทรัพย์สมบัติมากมีความสุขอย่างนั้นใช่ไหมในเมื่อมากเข้ามาเราเป็นห่วงเรื่องทรัพย์สมบัติกลัวเขาจะมาแย่งมาชิงกลัวมันจะตกตะล่นไปอันนั้นก็นไม่ใช่ย่อยเหมือนกันที่เขามากลัวเขาจะมา คดมากกงมาแย่งมาชิงมันก็เป็นทุกข์ใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันในเมื่อมันพัดพากไปยิ่งเป็นทุกข์แต่ที่นี่ร่างกายของเราล่ะออกไปเป็นคารวาสจะชมใจฝงจะสมวางดังปรารถนาดอย่างตั้งใจอย่างนั้นทุกอย่างใช่ไหมเราจะไม่เก็บไ ม, ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเรา ม, มีครอบมีกลัวขึ้นมาขึ้นมาแล้วเอ เราจะไม่เจ็บไม่ป่วยเราจะอยู่ด้วยกันล่มเย็นผาสุขอย่างนั้นตลอดไปอย่างนั้นใช่ไหมเสี่ยงเหล่านั้นพวกเราคิดดูให้ดีเราเห็นตัวอย่างมามากต่อมากแล้วเราจะได้ดิบได้ดีอย่างที่อย่างที่เราคิดวาดวาดหวัววงไว้นูน่นดินฟ้าอากาศอยู่นอกเมฆนอกหมอกนะตั้งความหวังตั้งความปรารถนาเอาไว้ มันจะเป็นอย่างนั้นได้ได้หรือไม่ที่ผ่านผ่านมาที่เห็นเห็นมามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนี่แหละโลกอันนี้นก็คือสรุปสรุปไก็คือจุดจบของชีวิตของพวกเราคืออะไรเห็นไ้ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่เป็นตน้นสมัยก่อนเป็นยังไงมาถึงบัดนี้เป็นยังไงแต่อีกไปข้างหน้านี่จะเป็นยังไง แต่ขณะตัวเองมองตัวเองนี่ก็ยังหน่าวิตกกังวลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆองค์ให้คิดดูให้ดีคิดตั้งแต่เราเกิดมาแล้วก็มาถึงขณะจนมาถึงบัดนี้แล้วก็คิดจากบัดนี้ไปไปถึงอนาคตภายภาคหน้าเราจะเดินไปยังไงชีวิตของเราเป็นที่พอใจไหม เ, เนื้อเมื่อเราล้มหายตายจากไปอย่างนั้นเราเป็นที่พอใจไหม อย่างที่พวกเราจะเป็นที่เราจะเดินไปนั่นถ้าไม่เป็นที่พอใจเราควรจะเลือกทางเดินให้ดีที่สุดอันไหนที่เป็นทางดีบางทีบางทีเดินไปในทางที่ดีมันก็มีขวากมีหนามบ้างแต่เราก็ต้องอดทนอันนี้เป็นทางดีที่สุดในความนึกคิดร่วนการวิเคราะห์ของปาฏงหายเราต้องหลายต้องเชื่อปาาร์ แอบปรารถคือครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเราเชื่อปราดเอาไว้ถึงจะทุกข์ยากลําบากเราก็พยายามเดินสายนี้ในเมื่อเดินสายนี้ไปแล้วนั่นแหละความพ้นภยัยพ้นทุกข์ในวัฏะสงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกอันนั้นคือแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําบอกกล่าวพวกเราแต่หากว่าพวกเราเดินไปตามกระแสของโลก ที่พวกเราคิดว่ามันดีคิดดูให้ดีที่ว่าเราเดินไปสายนั้นไปถึงจุดนั้นมันเป็นยังไงมันไปตามกระแสน้ามันหาที่จุดที่จบไม่ได้ไม่รู้ว่าลุ่มตุ่มปองไปที่ไหนก็ไมร่รู้แล้วจุดหมายปลายทางของเราคืออะไรก็มองไม่เห็นปลายหนทางต่างหากแต่ถ้าว่าเราเดินมาจุดนี้เราหาทางพ้นทุกเราจะมองเห็น ปลายอุมโมงค์พ่อที่เราจะเดินออกไปได้ไปหาจุดหมายปลายทางตามแนวแถวของพุท ธ, ธะที่ท่านบอกกล่าวให้ชําระกิเลสภายในใจของเรากิเลสนั้นพาไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจะกรสงสารลุ่มลุ่มดอนดอนสูงสู ง, สงต่ําๆแต่เมื่อเราชําระกิเลสภายในใจของเราแล้วนั่นแหละบรมสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราเพราะนั้น ชีวิตของเราไม่มีใครที่จะรักยิ่งกว่าตัวของเราถ้าเราไม่รักตัวของเราแล้วใครจะเป็นคนรักแทนเราเพราะแน่ๆรักตัวเองการรักตัวเองนะควรจะทําอะไรเอาลางวันให้กับตนเองคืออะไรเลยจะเอาแต่สิ่งที่มันชั่วช้าเสียหายอผลในสุดคนนะ่ะ เ, เข้าไปที่ไหนก็ไม่รู้อะไรที่ชั่วขนมาใส่ ผลในสุดความชั่วมันไม่ไม่เจริญรุ่งเรืองหรอกมีแต่อ่ะมีแต่ความร่มจมจิบหายในะจะเข้ามาสู่จิตใจจุดนั้นเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเกิดมาทั้งทีชีวิตในพบภพคุณศาสนาถึงจะไปเป็นฆราวาสกับเป็นฆราวาสที่ดีมีคิดมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมประกอบคุณงามความดีให้ดีที่สุดนะแต่ถึงยังไงในชีวิต ในการเป็นอยู่หลวงพ่อเขามั่นใจว่าชีวิตนักพจนักบวชนี่เป็นมีภาระน้อยที่สุดเป็นมุลทินที่น้อยที่สุดแต่ว่าการเดินนั้นลำบากต้องสู้ด้วยความอดทนอดกลั้นทุกสิ่งทุกอย่างมรรสูงเข้ามาในชีวิตนักพจนักบวชไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่าท่านยังไงถ้าเราผ่านอุปสรรคไปได้เราจะได้ความสุขเหมือนกับ พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับอชายคนหนึ่งที่ไปเรียนหนังสือเมืองตะกะศิลานะแต่ว่าพอเรียนมาแล้วะเดินทางมาท่านก็บอกว่านะเดินทางสายนี้ทางลัดก็จริงแต่มีมรสุมต่างเยอะแยะนะมียักษ์ดักอยู่ขนทางถ้าท่านจะสู้ไหมถ้าท่านจะสู้นะเอาไปสายนี้อบุรุษคนนั้นก็สู้สู้อย่างสุดๆผลในสุดก็ สู้ด้วยสติสู้ด้วยปัญญาท่านก็ผ่านอุปสรรคไปได้นี้ก็เหมือนกันน่ยการที่จะเป็นนักพลดนักบวชที่จะหาทางพ้นทุกขนะ์น่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะมันสู้กับชีวิต ม, มันสู้กับจิตกับใจของตนเองมันไม่ชู้มันไมด้สู้ที่อื่นหรอกสู้กับใจนะนะั่นแหละกิเลสมันอยู่ที่ใจโลภโกรธหลงราคะโทสะมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นจะไปสู้ที่อื่นสู้ที่ใจตัวเองเอบางทีก็ร้องโ h o ร้องห h o ร้องไห้ ดังที่มันอยากจะเป็นอย่างนั้นของมันก็ไม่เป็นให้มีมากต่อมากเพราะนั้นให้พวกเราทุกทุกท่านนะเอาชนะใจนั่นะเลิศประเสริฐที่สุดอย่าไปคิดเอาชนะคนอื่นนะาทางชนะคนอื่นหมื่นแสนยังสู้ชนะตนเองไม่ได้ถ้าชนะตนเองเท่านั้นะเลิศประเสริฐที่สุดนะในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะที่ท่านสอนว่าอย่างนั้นเพราะนั้นให้พวกเราทุกองหนนะ้าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ ออกควันสาอากาศดินฟ้าอากาศตุอ๊ตุสับปลายะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไม่ร้อนไม่หนาวให้เล่นความภาคความเพียรให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาของกายของเราการงานก็ไม่มีอะไรในวัดของเรามีน้อยมากถ้าจะเปรียบเทียบกับวัดอื่นแล้วเพราะพวกเราผลแห่งการก่อสร้างมาหรือว่าการดําเนินวัดของเรามาก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้าล็อกเข้าลอยหมดแล้ว มีต่อไปให้พวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนาท่านันนะนที่นี่นะเอาวันนี้ผมขอพูดเพียงเท่านี้ก่อนแล้วต่อนี้ไปสุดท้ายพระปฏิโมกขนะนี่นะ